พระเจ้าพระภัยบุอภพิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุร ด, ดอรธานีเวลาที่เรามาพบกันคือเรื่องของการที่ให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรงมีการผู้ที่ลงบักสอบันทึกไว้่ก็เป็นเหล่าครูบาอาจารย์ที่มาในยุคแร ก, แรก ใ น, นลง อ, อ, กอักษรบันทึกไว้ถ่ายทอดกันมาคำพูดของพระพุทธเจ้าท่าทางของพระพุทธเจ้าเขาก็จะพยายามที่จะจดจํากันนัพิสูจ์ในสมัยก่อนในเวลาพระพุทธเจ้ายิ้มที่ทําไมจึงยิ้มเนี่ยเตมปราตนก็จะคอยสังเกตถามเวลาพระพุทธเจ้าย่างกรายด้วยอริบทต่างๆใดยๆยังไง น, น, นั่งท่าไหนคนเขาก็จะคอยสังเกตเนีนเพราะว่าเป็นเป็นคนสําคัญเตมฟังเดี๋ยวไหมในคนสําคัญเนี่ย ไปไหนนักคนเขาต้องดูท่านทำอะไรทํำยังไงทำไมนั่งท่า น, นี้นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จึงมีการบันทึกออกมาเป็นพระพุทธรูปปรางนั้นปางนี้ทําท่านนั้นท่านี้นี่ก็เป็นลักษณะการบันทึกที่มีมาเขาก็มาทําเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆในภายหลังนแตประเพลงชนะที่เขาลองสอนบันทึกกันมานั้นก็มาจากความจําเราสังเกตดูได้ว่าจากจิตของพระพุทธเจ้า จิตของผู้ผมีภาคเนี่ยก็เหมือนจิตของเราในที่มีการทํางานในในลักษณะต่างๆกันแต่ทีนี้ด้วยความฉลาดนะด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยก า, า, ารเป็นบ า, า, ารามีต่างๆเนี่ยจิตนั้นก็เป็นจิต ท, ที่ประพศสศละ่ะะมีความสบายละเป็นสามารส์สมุตะละ้ว ก, ก, ก็กําหนดบทเพียนชนะมาอธิบายให้ฟังใการกําหนดบทเพียนชนะพูดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของสมองนนในเรื่องภาษาเรื่องของการใช้ศัพท์ เรองการเลือกเฟ้นคำซึ่งตัวนี้พระปริชามีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษานี้มากอย่าภาษาที่เลือกใช้ก็คือภาษาบาลีหรือภาษามคตแต่ที่เขาใช้ในสมัยนั้นเป็นภาษาที่อธิบายบผ่านอธิบายเรื่องอาการของจิตนี่แหละผ่านหลืบสมองของพระงเนี่ยส่วนสมองส่วนไหนที่มันจะใช้ในการพูดเนี่ยผ่านตรงนั้นออกมากาะเบิดเบอร์เบยนชนะพูดออกมาผ่านหลอดเสียงออกมาแคนก็จํำมาไว้แวพวกภิกษุทั้งหลายก็จํำมาไว้ ไหนจำไว้จำไว้ไหนๆก็จำไม่ใด้สมองของท่านเหล่านั้นไหนะจำไว้ใด้สมองไอ้ข้อความต่างๆนี้อยู่ในสมองท่านเหล่านั้นไหนะก็บอกต่อกันมาอธนะิบายต่อกันมานะผ่านลืบสมองกลิบสมองซิกไหนซิกไหนนะเอาจากรุ่นนี้ผ่านมารุ่นนี้เอาเธอจำมันนี้ไว้นะอันนี้ผู้เชี่ยสอนอย่างนี้อันนี้หมวด4อันนี้หมวด3ามไจำไว้แล้วก็จำจำไปทีนี้จำแล้วบางทีกลัวลืมเทคโนโลยี Technology, สมัยก่อนมันก็ค่อยๆจเจริญขึ้นจะมาจากที่ ไม่มีอะไรจําอย่างเดียวก็เอาเป็นหมึกบ้างมีการทําใบลายมีการคิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมาก็มีการลงอักษรและมีการลงอักษรลงอักษรนี่ก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าต้องต้องกลัวว่าไอ้เดปลวกจะขึ้นเดี๋ยวไฟจะไหม้เดี๋ยวความชื้นจะทําให้มันพังแล้วก็ต้องเก็บรักษาไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้น้ําหรือความชื้นมาทําอันตรายอะไรได้ะไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้ปลวกมากินอย่างนี้นักก็ต้องคอยรักษานัผ่านจากรุ่นนี้มารุ่นนั้น แล้วก็พาเดินทางมาด้วยนะเดินทางไกลจนมาถึงเมืองไทยเราจนมาถึงดินแดนซูมรณภูมนะิไปดินแดนต่างๆทั่วโลกลังกาบ้างอะไรบ้างเราจนมาถึงปัจจุบั น, เ, นเราก็มีระบบเรียงพิมพนะ์ตั้งแต่เก็บมาตั้งแต่สมัยรห้าร5ก็เอามาจากสมัยรหนะึ่งรัชกาลที่1ก็เอามาจากสมัยของพระเจ้ากุงดนบรนะุริรวบรวมมาจากทวารวดีบ้างตระกรลศีธรรมราชบ้างต่างๆ แต่ไก่อนนั้นเขาก็เอามาจากอายุธยาด้วยทีนี้พอเรามารับรู้ความรู้ที่ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นรุ่นส่งต่อกันมาโดยเราหลานสาวกบ้างเราสาวบกทั้งหลายที่เห็นความสําคัญในในเรื่องข้อนี้แล้วก็จึงต้องมาทําการศึกษากันดงฝั่งไนะหนมันสมกับความที่มันสืบทอดมายาวนะให้มันสมกับความที่มันลึกซึ้งละเอียดนะเข้าถึงเป็นอนุเข้าถึงได้ยาก นะเรามาศึกษาความสิ่งตรงนี้กันนะก็จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังนะแล้วก็มาทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจม่มแจง้งนะโดยการที่เอาพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของพระพุทธามาให้ฟังนะฟังบางสูตรบางเรื่องอาจจะยงไม่เคยได้ฟังเอาไาห้ฟังกันนะฟังแล้วก็วจะำอธิบายให้แจม่มแจงแ้งละถ้ายังไม่แจม่มแจง้งก็เขียนจดหมายมาถามได้หรือว่าส่งอีเมลเมสเซจมาทางเว็บไซต์ก็ได้ ในกิจวัารที่อยู่ก็ตามเว็บไซต์ก็ตามมันคงจะทราบเปนดีอยู่ทีนี้วันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันนะเราพูดถึงเรื่องปฏิปทา4อย่างท่านฟังในปฏิปทา4อย่างในที่นี้ก็คือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาในปฏิปทานี่คือหมายถึงการปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติแล้วก็พูดถึงพิญญาในพิญญาคือการ บรร ล, ลุการตรัสรู้การรู้แจ้งลักษณะนีนะ้ได้เร็วหรือได้ช้านะแล้วมีอยู่สี่ส่วนนะคือการปฏิบัติส่วนที่เป็นเหตุสุขกับทุกข์สุขในที่นี้ก็คือหมายถึงความสะดวกสบายนะทุกข์ในที่นี้คือหมายถึงความลำบากนะความยากความลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่ก็จะได้4อย่างคือส่วนที่ปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสบายนะแล้วก็ทําให้บรร ล, ลุได้เร็วหรือบรร ล, ลุได้ช้า กนกส่วนที่ปฏิบัติลำบากปฏิบัติเป็นทุกข์ปฏิบัติยากแล้วก็จะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ทำฟังบางคนมีความเข้าใจว่าสุขกับทุกข์นี่คือหมายถึงว่าโอคุณต้องไปทำตัวลำบากลาบากนะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาทนยุงกัดทนร้อนทนหนาวอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งนะหรือปฏิบัติสุขนี่ึ้นหมายว่าคุณต้องอยู่ห้องแอร์เย็นสบายไม่ต้องไปไหนไกล และแล้วก็มีความสะดวกสบายทุกอย่างมีเช้าเพนเอนนอนกินได้สบายนะอันนั้นยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระาอธิบายถึง้เจ้าความสุขกับความทุกข์ตรงนี้ก่อนนะความสุขทุกในที่นี้หมายถึงปฏิปทานะท่านฟังนะถ้าเราพูดให้ถูกก็คือว่าปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสะดวกก็คื อ, คอปฏิบัติลำบากกนะ็คือทุกข์าปฏิปทาหรือปฏิบัติสะดวก ปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสะดวกก็แค่เหมือนกับว่าเราเดินทางทางไหนนะมันเดินทางทางไหนมันก็อยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นคุณอยู่ตรงไหนแต่ถ้าบ้านคุณอยู่ในซอยแล้วซอยบ้านคุณเนี่ยมันเป็นถนนกุกระคุณไม่มีทางอื่นคุณต้องเดินไปทางนี้ก็เดินต้องเดินไปตามทางกุกระหรือบ้านคุณอยู่อีกซอยหนึ่งแล้วในซอยบ้านคุณเป็นถนนเรียบออกมานะการเดินทางของสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันคนแรกนี่ที่อยู่ในบ้านบ้านก็อยู่ในซอยที่เป็นถนนกุกระ เป็นปุ่มเป็นหลุมเหมือนดาวอังคารหรือดาวดวงจันทร์นี่แหละนะแล้วแถมว่ามีตัวสะดุง้งนะไปไปหน่อยก็สะดุ้งขึ้นสะดุ้งขึ้นอีกแลถนนไม่เป็นงีนะ้บ้านเราอยู่ตรงนี้แนะเราจะเดินไปทางที่ ท, ท, ที่มีความปลอดภัยคุณจะต้องผ่านตรงนี้มันมันเลี่ยงไม่ได้อันนี้คือกรณีที่1นึกนะรณีที่สองบ้านอีกคนหนึ่งอยู่ในถนนแบบราบเรียบนะมีเราพๆดูแลอย่างดนะีแล้วก็ไม่มีตัวสะดุ้งอะไรขับไปได้สบายสบายนะอันนี้คนที่สองมันไม่เหมือนกันนะเพราะจุดเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน บางคนจะไปเปรยียบเทียบว่าสุขาปฏิปทานี่คือถนนเรียบเรียบสบายๆแต่ทุขาปฏิปทานี่คือถนนแบบหลุมพะจันนะเหมือนกับผิวดวงจันทร์นตเจ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ว่าบ้านคุณเริ่มตรงไหนเพนะราะว่าถ้าเราจะไปเลือกเอ๊ยงั้นฉันก็ไปถนนสบายๆ ส, ยสยิฉันก็ไปทางตรงๆไปทางที่มันขับสบายอย่างเราจะไปเชียงใหม่ไงจากกรุงเทพเชียงใหม่หรือกรุงเทพ ม, ท ม, มอุดรเนี่ยคุณก็เลือกทางที่มันแบบกลับสบายอะนั้นก็ใช่อยู่แต่มันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นคุณอยู่ตรงไหน ดัง น, นั้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าไอ้ที่สุขขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปตาเนี่ยนะมันมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่เป็นทุกขาปฏิปตาก็คือปฏิบัติลาบากเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะคนที่ว่ามีราคะโทสะหรือโมหะกล้านะจิตจัอยู่เรื่อยในจิตใจก็มีราคะอยู่เรื่อยในโทสะอยู่เรื่อยโมหะอยู่เรื่อยเห็นอันนี้ก็ชอบหลายไปตามเห็นอันนี้ก็โกรธจีดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่รู้หลงไป นะมีกล้านะมีความราคาโทสะโมหะกล้านะก็จะมีทุกขโทมานัทอยู่เรื่อยๆนะส่วนคนที่ปฏิบัติสบายเป็นยังไงนะสุขาปฏิปตางนั่นคือคนที่เ อ, อ่อราคาโทสะโมหะเขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะเป็นคนที่เป็นธรรมชาติใจิตใจเขาเป็นอย่างนี้นะวิธีการปฏิบัติก็จะต่างกันไปนะก็คือเหมือนกับบ้านคุณอยู่คนละซอยนะเพราะฉะนั้นทางที่เดินออกมานี่ทางที่เดินออกมานี่มันก็ไม่เหมือนกัน นะถ้าเบรบเทียวก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะจีจัดอยู่เรื่อยหนะลงอยู่เรื่อยเอามีวิธีแก้ได้ไหมมีไดนะ้ก็คือการพิจรารณาความไม่งามในกายความพิจารณาอาหารด้วยความเป็นขอไม่น่ายินดีนะความพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างนี้นะนะการที่ตั้งบรณสัญญานะตรงนี้จะเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้า นะส่วนคนที่มีราคาโทสะโมห oh ะไม่กล้านะคือหมายความว่าราคาโทสะโมห oh ะมันมีไม่มากมันมีน้อยนะวิธีการที่เหมาะสมกับเข า, าก็คือเข้าสมาธินะชาญนึ่ชั้นอชาญสามชาญส4นะฟังอีกครังหนึ้งนฝฟังนะวิธีการที่คุณจะออกจากซอยนะบ้านคุณเป็นยังไงซอยบ้านคุณเรียบถนนเรียบกับซอยบ้านคุณถนนขุกระมันต้องออกมาไม่เหมือนกันนะวิธีการออกมาไม่เหมือนกันเราจะไปทางสู่ที่เป็นนิพพาน มันเป็นธรรมะนะเราออกจากบ้านเราก็บ้านเร า, า, เราอยู่ในซอยแบบนี้นะบ้านฉันอยู่ในซอยถนนกุกระแต่คุณจะเอาวิธีการแบบคนที่บ้านอยู่ในซอยเรียบออกมามันไม่ได้นะคุณต้องรู้จักวิธีการหักหลบหลุมตรงนี้นะจะขึ้นเนินนี่ต้องชะลอ น, นิดนึงตรงนี้ต้องรีบเร่งไปเนะมีรถสวนมาทํายังไงเทคนิคมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยวิธีการที่คุณต้องใช้ในลักษณะของทุกขาปฏิปฏตาคือพระเจ้าเรียกตรงเนี้ย ว่าทุกขาปฏิปทานะเพราะมันปฏิบัติไม่สบายละ่ะนะมันปฏิบัติค่อนข้างจะลําบากละ่ะนะทำไมอ่ะก็ซอยบ้านจะเป็นอย่างนี้เอาก็ก็คุณมีราคะโทรสามโมกกล้าหีิใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการที่เหมาะสมคุณคือแบบนี้นะต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายนะความไม่งามในกายสิ่งอาหารเป็นสิ่งปฏิกูลพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในกองทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความตายอยู่เรื่อยๆนะอย่างเนี้ยเหมาะสม ก็คนที่มีราคาโทสะโมหะกล้านะส่วนคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนาย น, น้อยคือธรรมชาติฉันก็เป็นคนเย็นเย็นไปอย่างเงี้ยเออนี้คุณเข้าสมาธิได้นะถ้าเราไปลองใช้วิธีสลับกันนะสมมตินคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วดันไปใช้วิธีการจะเรียกว่าเข้าสมาธินะ่ใช้ไหมจิตฉันเป็นหนึ่งฉันต้องนิ่งฉันต้องเย็นฉันต้องสงบฮมันไม่ได้ตำูฟังคนมีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ย มันจะทําจิตให้สงบมันยากเนี่มันถึงยากไงมันยากวิธีทานจะทาจิตให้คุณสงบทําไงคุณต้องพิจารณาเห็นไรความไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงกายเน่ากายเหม็นอาหารเน่ากายไม่เป็นของน่า ย, ยินดีอันนี้จะเหมาะสมกับคุณเพราะอะไร ต, ต่องเอาน้ยอกต้องเอาน้ําบ่มน้าบ่มด้วยปัญญาเนี่ยบ่มเข้าไปแต่คนที่เขาเจิตแบบสบายๆแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือมีน้อย นะไม่ได้มีอย่างกล้าแรงแรงกล้าอย่างนี้นะเขาจะทําจิตให้สงบเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะทําได้นะได้อยู่แต่เรื่องการบรรลุเร็วหรือการบรรลุชา้ามันไม่ได้เกี่ยวนะการบรรลุเร็วหรือการบรรลุชา้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอไหมนะคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะไม่ว่าจะบ้านคุณอยู่ในซอยที่ถนนกุกระหรือบ้านคุณอยู่ในซอยที่ถนนราบเรียบเนี คุณจะต้องอาศัยกำลังของพระเศคานั่นะคือเรื่องของที่ว่าศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญานะคุณต้องมีหิริโอตปะคือความกลัวความลายตบะมีศรัทธามั่นใจว่าไปทางนี้ถูกต้องวิธีการนี้ถูกต้องในวิธีการของแต่ละคนนะนะแตนะ่คนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะกลา้าคุณต้องมีความมั่นใจว่าการพิจารณาถูกแล้วฉันจะมานั่งทําจิตให้สงบนมันยากเอาพิจารณาเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของเน่าเปื่อยแต่ส่วนคนที่ มีราคาโทสะโมะเบาบางนะคุณก็ต้องมีความมั่นใจว่าเอ้ยทาไมฉันไม่ต้องพิจารณาหรอว่าคุณเข้าสมาธิไปนะทำจิตให้หนึง่งนะมีชั้น1นึ่สอามไล่ไปนะคุณมีความมั่นใจตรงนี้นะความกลัวตวบาป ค, ความลักต่อบาปนะจะเห็นว่ากําลังของพระเสกานี่ไม่ได้มีเรื่องสตินะไม่ได้มีเรื่องสมาธินะพราะสติสมาธิเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดนะมันอาจจะยังไม่เกิดในขณะที่เราทําแล้วเราฝึกอยู่นี่มันอาจจะยังไม่เกิดนะ แต่ถ้าคุณจะบรรลุเร็วหรือจะบรรลุช้าเนี่ยคุณจะต้องมีอินทรีย์5นะคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี่ยถ้าแก่กล้านะก็บรรลุเร็วถ้าอ่อนก็บรรลุช้าแต่เพราะนั้นคนที่ปฏิบัติลำบากไม่ใช่ว่าจะบรรลุช้านะปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วก็มีนะเพราะเขามีากําลังของพระเสกห้อย่างเขามีอินทรีย์5อย่างนะทำให้เขาบรรลุได้เร็ว นะกําลังของพระเสกข้าอย่างนี่ทำให้เขาเดินทางออกมาตามทางนี้ได้อย่างดาทําไดนะ้เป็นองค์ประกอบที่ทำํำให้เขาทําได้ส่วนการจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะมันอยู่ที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะทํากว่ามีความเข้าใจว่าเอางั้นพวกปฏิบัติลําบากนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำสมาธิหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่มีสมาธิมันยังไงก็บรรลุไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน แสดว่าอินทรีย์หนึ่งใน5อย่างเราออนแล้วเราจะไปบรรลุเร็วได้ยังไงแล้วเราจะไปบรรลุได้ยังไงมันก็ต้องคือถ้าไม่มีมันไม่ได้เลยละ่ะถ้ามีน้อยก็จะบรรลุได้ช้าในเรื่องของสมาธิถ้ามีมากก็จะบรรลุได้เร็วเอาแล้วงี้มันจะไม่ขัดกันเหรอที่ว่ า, าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าจะทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้ยากก็นี่แหละคือประเด็นเตามฝั่งว่าพอคุณพิจารณาแล้วแล้คุณทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เร็ว หรือทําสมาธิเกิดขึ้นได้ช้านะนี่คือประเด็นถ้าคุณจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เร็วหรือคุณจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ช้ามันก็อยู่ที่ว่าคุณมีฮีริอุตปปะมีศรัทธามีวิรยิยมีปัญญาเท่าไหรนะ่ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านฟังบัดดีข้าพเจ้าพูดเร็วเกินไปต้องพูดช้าๆให้ท่านฟังฟังได้อย่างชัดเจ น, นว่าสมาธิน่นะคือจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยสำคัญทั้งสองฝ่ายไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่ในซอยแถวนุ่งกระหรือบ้านคุณจะอยู่ในซอยแนวรามเรียบ ไม่ว่าคุณจะเป็นพวกที่มีราคาโทสะโมหะกล้าหรือคนที่มีราคะโทสะโมหะน้อยๆทั้งสองอย่างต้องสําคัญสมาธิสําคัญแต่คนที่มีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาส่วนคนที่มีราคาโทสะโมหะน้อยจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยจะไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิอะไรก็ตามที่คุณไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะคุณต้องไปทําอะไร คุณต้องไปพิจารณาเห็นกายไม่เที่ยงเห็นอาหารเน่าเห็นความตายคุณก็ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิละอันนี้มันจึงไม่สุขมันจึงเป็นทุกข์าปฏิปตานะีส่วนคนที่มีราคาโทสะมหะน้อยนะไม่แก่กล้าเนี่ยราคาโทสมะมหัเบาบางเนี่ยเขาก็จะหาความสุขจากสมาธิได้นะอันนี้จึงเป็นสุ ข, ขาปฏิปตาแต่ทั้งสองฝ่ายเวลาที่มันจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าคุณต้องมีสมาธิแน่นะสมาธิเกิดจากอะไรนะคนที่ มีราคะโทสะโมหะกล้าในะสมาธิของเขานั้นก็ต้องเกิดจากการภาวนานะเกิดจากการพิจารณาการพิจารณาเห่งความไม่เที่ยงเป็นตน้นะส่วนคนที่ทํามีราคาโทสะโมหะน้อยอินทรีย์ตรงนี้คือสมาธิตงนี้เนี่ยมันต้องปรับให้สมดุลเขาจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่แล้วนะเขาก็ต้องมีการพิจารณาของเขาเพื่อที่จะทํำในเรื่องปัญญาในะเรื่องฮีเรตตาปะของเขาเนี่ยให้เต็มขึ้นมาแต่ประนตรงนี้มันต้องเกี่ยวข้องกัน ต, ต้องทำความเข้าใจว่าสมาธิยังไงก็ต้องมีปัรยายยังไงก็ต้องมีแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนแบบไหนเรามีราคะโทสะโมหะกล้าหรือเรามีราคะโทสะโมหะเบาบางบอกท่านผู้ฟังให้เลยตัวข้าพเจ้าเองจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆในพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายในพิจารณาเห็นกระดูกผมขนเล็บฟันหนงังหนะกายเป็นของเน่าเปืนะ่อยในพิจารณาถึงความตายอยู่เรื่อยๆนี่คือตัวส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ เนะ่ยเพราะว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเอ่อข้าพเจ้ายังมีความคิดมากในะวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อา้าวพอมาบวชแล้วมันทําจิตให้สงบไม่ได้นี่เอางั้นคิดมันเลยนะพิจารณาคิดนะถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นของเน่าเปื่อยถึงความเป็นของไม่สวยงามนะพิจารณาแล้วจิตเราสงบได้นี่มันเป็นไงในะส่วนคนที่เขาจิตธรรมชาติเขาเป็นลักษณะว่าสบายสบายอยู่แล้วไม่มีราคาโทสะมหหมากเนี่ย เขาก็จะสามารถหาความสุขจากสมาธิได้นคนที่มีราคาโทรศัพท์มหะมากก็ไม่ใช่ว่าจะหาความสุขจากสมาธิไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณพิจารณาแล้วคุณได้สมาธิคุณก็ได้ความสุขตรงนี้เหมือนกันแต่เส้นทางมันจะมาไม่เหมือนกันตอนนั้นเองก็ทาความเข้าใจในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ให้ฟังในเรื่องของเมื่อวานนี้นคือเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ไปหาพระรูเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอ พวกนักบวชในรัฐที่อื่นอันนี้คือให้ที่ให้ฟังเนี่ยมาจาก2พระสูตรรวมกันนะคือในที่แรกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัส ก, กับท่านพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยในก็เรียกว่าในชลินสูตรนะที่อยู่ในสังยุตตานิก迦นะพอพระเจ้าเปรตทิ่โกศลมหาพระพุทเจ้าก็แสดงความเคารพนั่งอยู่พอเห็นพวกนักบวชที่อยู่ในคําสอนอย่างอื่นใช่ไหมนะเป็นพวกนักบวชนุ่งผ้าบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างนะเป็นนักบวชที่บูชาไฟบ้าง โอมีขนรักแร้ยาวมีเล็บยาวโอ้ท่าทางหน่าเลื่อมใสเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยไปทําความเคารพแล้วก็กลับมาบอกกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าเฮ้ย hey, สงสัยพวกนี้ต้องเป็นพระอาหารแน่เลยหรือว่าอย่างน้อยต้องเป็นอาร่าตามักแน่เลยมาบอกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงตระักให้ทราบ ว, ว่าโอ้มันเป็นการยากในที่กรหัืดคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ยังนอนเบียดบูดอยู่กินข้าวเย็นอยู่ น่ะทัดสวงมาลาตกแต่งหน้าตาทาหน้าทาปากนายใส่เสื้อผ้าสวยๆพรมน้ำหอมนอนเตียงนุ่มๆยินดีทองและเงินมีลูกมีเมียจะมารู้ได้ว่าใครเป็นอ ร, รันหรือใครไม่ใช่อ ร, รันมันยากยากคนจะรู้ว่าเขาจะเป็นอรันหรือไม่เนี่ยนะไม่ต้องดูที่ศีลสมาธิปัญญาใช่ศีลก็ตามความเป็นอยู่ก็ตามนะกลังจิตก็ตามปัญญาก็ตามสี่อย่าง สี่อย่างที่พระอาจาอธิบายให้ฟังขึ้นหเรื่องศีแลแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลสการดํารงชีวิตว่าเขาเป็นคนสะอาดหรือเขาไม่เป็นคนสะอาดคุณจะรู้ได้ไงนะสเรื่องของกําลังจิตนั่นคือเรื่องของสมาธิคือกําลังจิตนั่นเองคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีกําลังจิตหรือไม่มีกําลังจิตและ 4. คือปัญญาคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้นมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา3อย่างเนี้ยสอย่างเนี้ยเนี่ยจะเป็นตัวที่ จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาเดินตามทางนี้เขาจะเป็นอรหันต์หรืออรหัตตมัคนะเดินอยู่บนอรหัตตมักหรือถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคือถ้าเขาเดินไปเดินไปเนี่ยเขาก็จะต้องถึงความเป็นพระอรหันต์เด็กไหมนะักบวชสักคนใดคนหนึ่งเพราะเราจะมารู้ได้ไงว่า4อย่างเนี้ยเขามีหรือเขาไม่มีนะก็ต้องดูที่อะไรสิ้จะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนะคนจะอยู่ร่วมกันเนียถึงจะรู้นะขาพเจ้าเมื่อวานนี้ก็เลยยกอีกประสูตรหนึ่ง ที่อยู่ในอังคุตระนิการที่พระเจ้าอธิบายเอาไว้ว่าเอ้าอยู่ร่วมกันยังไงถึงรู้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันนะ้ะพออยู่ร่วมกันแล้วจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนทุศีลหรือเป็นคนมีศีนนะเป็นคนทําปกติเนี่ยมีปกติเป็นยังไงเพราะศีนคือความเป็นปกติการปรกติการดํารงชีวิตของเขาเป็นยังไงในมีความด่างความทุกขความพร้อยหรือไม่มีความด่างไม่ทุกขไม่ขาดไม่พร้อยในเรื่องของศีลที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ไหมนะต้องอยู่ร่วมกัน ดูความเป็นปกติของเขาว่าเป็นยังไงนี่คือข้อที่1แล้วก็ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียวนะจะต้องดูใช้เวลานานพอสมควรนะี่ไม่ใช่ด้วยเวลาเล็กน้อยนะี่คนมีปัญญา3มก็รู้ไม่ไดต้ต้องคนมีปัญญาแต่บางทีมีข้อยกเว้นต่างๆ่านีพระบางทีก็มีข้อยกเว้นต่างๆแต่เพราะนั้นต้องมีปัญญาด้วยเราก็ต้องมีการโยนิโสมราสิการด้วยนะี่คนไม่โยนิโสมันรู้ไม่ได้นี่คือเรื่องของศีลเรื่องของความเป็นอยู่ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเหมือนกัน นคนเราจะรู้ว่าคนนี้สะอาดหรือไม่แล้วก็ดูที่การพูดจ า, าดูที่การพูดจาว่าคนนี้เพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งพูดสองคนอย่างหนึ่งพูดกับคนหมู่มากอย่างหนึ่งอ้าวๆนี่เริ่มละเริ่มไม่สะอาดละทีนี้ก็ต้องดูว่าไม่ใช่ดูแป๊บเดียวคือบางคนเนี่ยแหมท่านผูฟังขอโทษทีเอะเจอกันไม่พอ5้นาทีเลยนัไปตัดสินใจว่าเขาเป็นอย่างไรอย่างกรณีของพระเจ้าเปรตนิโศสนในเห็นพวกนักบวชเดินมาโหนี่คนนี้คนลักลัยยาว คนนี้เล็บยาวสงสัยผ้าหลานแน่เลยยังไม่พอหนึ่งนาทีเลยที่เขาจะตั้งตัดสินใจว่าไอ้นี่เป็นบาหานหรือเปล่านะแต่ว่าเราดูแค่นั้นไม่ได้นะต้องใช้ระยะเวลาหนะ่ะเราก็ต้องใช้ปัญญาต้องมีการโยนิโสมนสิการไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บคุณจะไปตัดสินใจไม่ได้นะคนจะรู้ว่าคนมีความสะอาดหรือไม่ดูที่คุยกัน น, นะเขาพูดกับคนหนึ่งยังไงก็พูดกับสองคนยังไง พูดกับคนหนึ่งก็อย่างนี้พูดกับคนหมู่มากก็อย่างนี้เอออันนี้ค่อยเข้าท่าอาจจะเป็นคนที่ที่ก็เรียกว่าเป็นคนสะอาดได้นะต้องดูต่อไปอีกนะคือเรื่องของกําลังใจนะ่ะกำลังจิตเขามีกําลังจิตไหมนะการมีกําลังจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดูแป๊บเดียวนะนะต้องต้องดูด้วยตอนที่เขาตกอยู่ในสถ า, านการณ์นะ่ะตกในสถ า, านการณ์น่ะตกในสถานการณ์แล้วเขาแก้สถ า, านการณ์ยังไงนะมีความอา่าคิดอะไรไม่ออกมึนตืนอั้นตู้ แล้วก็ทุบบกชกตัวร่ําไห้ร่ําครวนเครียดครัดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแตนะถ้าเป็นแสดงว่ากําลังจิตไม่มนะีความเสื่อมนี้หรือปัญหาเหล่านี้คืออะไรบ้างเนะช่นความเสื่อมแห่งญาติญาติตายนะความเสื่อมแห่งโภคาเงินหายความเสื่อมพระโรคเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นตน้นแะตถ้าเจอ 3- 4อย่างนี้แล้วแตนะ่ยังเป็นคนที่ เ, ออเข้าใจนะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะสุขก็มีทุกข์ก็มี ลาบก็มีเสื่มลาบก็มี น, นแล้วก็ทําใจในลักษณะที่ว่ า, าปล่อยวางได้นั่นชื่อว่าคุณมีกําลังใจไม่รับให้คร่คําครวญทุบบกโชคตัวถึงความเป็นผู้มุงนุนขงกลางเพล่คนแบบนี้นนเวลาตกในสถานการณ์มีอันตรายเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเขามีกําลังใจหรือไม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะท่านฟังบางที่เราจะไปตัดสินใจจากเหตุการณ์เดียวหรือ2เหตุการณ์แล้วจะมาตัดสินใจว่าคนนี้มีกําลังจิตคนนี้เป็นคนมีเสียงคนนี้เป็นคนสะอาดมันยาก นะมันไม่ใช่วิสัยที่จะดู ง, ง่ายๆนะก็ต้องมีการอยูนิโสมรสิกานะเพราะบางทีบางอย่างข้อยกเว้นมันก็มนะีพระอาหารที่กลัวงูก็มนะีพระอาหาที่นิสัยยังเป็นอีกแบบหนึ่งก็ยังมีดังนะั้นมันก็ไม่แน่เราก็ต้องมาพิจารณาดูจึงต้องมีการอยูนิโสมรสิกานะดูแป๊บๆอาจจะตัดสินใจยังไม่ได้ในะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของปัญญาจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปัญญานะ ม, ม, มันจะยากเร ต, ต้องดูที่การสนทนา นะดูที่การสนทนาว่าผู้นี้สามารถที่จะอธิบายข้อความนั้นให้ลึกซึ้งละเอียดลงไปนะมียกตัวอย่างเหตุผลอ้างประกอบนะหรือว่าสามารถที่จะบัญญัติแต่งตั้งจำแนกแจกแจงอะไรเป็นอะไรประเด็นต่างๆอย่างไงได้นะสแสดงว่าคนนี้มีปัญญานะถ้าเบื่อทำไม่ได้ก็คือไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเรื่อง2เรื่องมันต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลานา น, านฟังนานๆคุยกันนานๆนะรู้ว่าโอ้โหมีแง่มุมเยอะเว้ยคนนี้มันฉลาดไว้ ก็เปรียบเหมือนกับคนที่เห็นปลาอยู่ในน้นําเห็นปุ๊บปลาตัวเบิ่มเลยพลิกคลิบขึ้นมาเนี่ยคนที่ฉลาดนี่เขาก็จะสามารถอธิบายได้ว่าเออปลานี้เป็นพั น, นุ์นี้นะตัวใหญ่เท่านี้นะลักษณะการทํางานมันเป็นอย่างนี้มันมีลูกอย่างนี้มันอยู่ที่นี่มานานหรือยังอธิบายได้ละเอียดไปนะแค่เห็นอาการที่ปลามันวืบขึ้นมาแป๊บเดียวนะสามารถบอกได้ทันทีว่าพันุไหนมีลูกหรือยัง อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ที่นี่นานหรือยังนะมีอายุกี่ปี ต่างๆเหล่านี้เพราะความฉลาดของผู้นั้นนะได้แจกแจงถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนฟ้าผ่านี่ยนะนะฟ้าผ่ามันก็วา่าไปแตกไปกระจายไปอย่างเงี้ยในะเป็นลักษณะของคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการจะรู้ได้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยก็ต้องด้วยการสนทนานะแล้วก็ไม่ใช่แป๊บเดียวนะไม่ใช่เรื่อง2เรื่องก็ต้องดูกันเป็นเวลานา น, านต้องมีการโยนวิสโสมนสิการด้วยตัวเราก็ต้องมีปัญญาระดับหนึ่งในการที่จะรู้ว่าคนนี้ก็เป็นยังไง สีอย่างนี้ท่านฟังศีลนะความสะอาดนะกําลังจิตแล้วก็ปัญญา4อย่างนี้เราจะรู้ไดนะ้ด้วยลักษณะว่าอย่างที่ที่บอกมานี่แหละนะมันจึงเป็นวิสัยที่ยากสําหรับฆราวาสสักค น, นคนหนึ่งคนหนึ่งที่จะมาตัดสินใจว่าคนนี้ไม่ใช่ว่าดูว่าเขาขนลักแร้แรยาวเล็บยาวหรือว่าท่าทางมันน่าจะเป็นพระอรันหรือกําลังปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรันมันก็ไม่แน่ที น, นี้พอพูดในลักษณะนี้แล้วเนี่ย ท่านพระเจ้าเปรตที่โกศลนี่ก็เป็นคนที่จับช่วยได้ไวนะหมายถึงพอพระเจ้าเตือนอย่างนี้ปุ๊บก็เลยบอกอางนี้พระเจ้าจะส่งคนไปตามดูนาะว่าพวกนักบวชพวกนั้นเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะปรากฏว่าไปดูสักระยะหนึ่งก็พบว่าพวกนั้นก็ศึกหมดนะาราศิขาหมดนะก็มาแต่งตัวสวยงามนะแล้วก็นุ่งผ้าสวยงามเอบอิ่มอยู่ด้วยการมากุลทั้งหาก็เลยรู้เลยว่าโอ้ไม่ใช่พระอ า, หารหันต พระอาหันนอกศาสนาในคําสอนของพระเจ้ชชาไม่มีแต่พระเจ้ า, ชชาจะตึงตรัสคถานี้เป็นการสรุปให้ท่านพระชาประสิธิโกสลในที่นั้นฟังว่าคนเกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สํารวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปยังโลกนี้ด้วยเรื่องบริการของเหล่านักบวชผู้สํารวมดีแล้วประดุจ กุนทนดินและมาสกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกจะฟังเคยเห็นทองชุบไหมหรือว่าสมัยก่อนที่เขามีพวกสิบมงกุฎที่ตกทองน่นก็ลักษณะเดียวกันคือนักบวชภายนอกศาสนาที่เป็นพระอรันไม่มีพระเจ้าจะต้องยืนยันตรงนี้แล้วก็ในคาสอนของพรเจ้านั้น เราก็จะดูว่าใครมีศีลมีความสะอาดนะมีกําลังใจและมีปัญญาก้อเดีวนลักษณะอย่างที่ได้กลา่าวมาเองในเรื่องของการให้ฟังทำนั้นท่านผู้ฟังในการวิเคราะหนะ์คําสอนต่างๆหล่านี้ก็เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะจากสิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจเองนะถ้าตรงไหนเป็นประโยชน์ก็ขอให้นำไปใช้ได้ก็จะเป็นกุศลนะส่วนถ้ายังไม่เข้าใจนะก็สามารถเขียนมาถามกันได้นะช่องทางการติดต่อก็คือ เว็บไซต์ก็ได้ที่เพียวธรรมะคอนะไปที่หน้าของรายการธรรมารุนก็ได้หรือว่าใช้จดหมายไปสื่บัตรก็ส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนไฮโซอำเภอดงหานจังหวัดอุดรธา น, นีวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเรามาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระพบุรอภิปุญโนเจ้าพระป่าดอนไหโซขอลาไปก่อนจเจริญพร